บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแล้กล่าวถึงอนุสติก็ที่เรียกว่าพุทธานุสติคือ ก, การตั้งสติตามลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันเป็นคำสอนในกลุ่มของภาวนา คือการพยายามเพิ่มพูนกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นภายในใจและตัวกุศลเหล่านั้นเองจะทำหน้าที่ขจัดบาปอกุศลที่มีชื่อต่างๆให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของกุศลพุทธานุสตินั้น ท่านสอนให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจา้าโดยสรุปก็คือปัญญาบริสุทธิ์กระดูกน้ำรพิสดารที่จริงจะมองในจากส่วนใดก็ได้เพราะถ้าเรามองทุงตัวอย่างของท่านในดีที่ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติธรรมะจนบรรลุมรรคผลในปัจจน ปรากฏว่าไม่ได้มีรูปแบบไป ต, ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้หรือจะต้องมองสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ประเด็นสำคัญว่าให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นก่อนบางท่านอาจจะมองไปที่สถานที่ประสูติสัจุสเสด็จตับขันธัพนิพพานของพระพุทธเจ้า แล้ทันจิตได้สงบและลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าปิติแปลโมทจะบังเกิดขึ้นภายในใจของท่านใจจะมีความดื่มดำ่ำมีความสุขหรือใปิติแปรโมทใจก็จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยพลังของความสงบนี้เองมันจะเพิ่มปัญญาขึ้นภายในจิตแตะเพิ่มปีนิพพินจนาสัตสังขารทั้งหลาย ตามแต่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเริญมีปััชนาบรรลุมรรผลเป็นพระบุคคลไปบาดทั้นอาจารยใสพระพุทธปฏิมาเล็กๆนั่งตั้งสติระลึกในตาเขาเพ่งดูซึ่งแสดงเห็นว่า การใช้ตาดูก็เป็นแนวของกสิณการที่ใช้ใจคิดก็เป็นแนวของอนุสติเรอการของธรรมะที่ทำงานภายในจิตหนุนเนื่องกันอยู่คือสติสัมปัญญะความเพียรซึ่งเป็นตัวหลักและเมื่อพิจารณาไปใจสงบก็เกิดปิติปราโมทโดยทํานองเดียวกัน การได้สมาธิการบรรลุฌานกัรบรรุอริยมรรยาผลก็เกิดขึ้นตามสุ่มขวนแก่กรณีนั้นๆวันตหลัการสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมดเดจะเจ็ว่าเนื้อหากจริงๆก็คือสติสัมชัญญะความเพียรแต่สิ่งหรือวัตถุที่เราระลึกนั้น ม, มีการกําหนดจําแนกออกไปใิจิตพิสดารในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านอกจากพระคุณนอกจากพระประวัติมันยังมีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่เราเรียกว่าสังเวชนียสถานคือสถานที่ประเ ส, สริฐสัจรู้แสดงประตรงเทศนานและนิพพานแต่บางแห่งเราเรียกว่าปูชนียสถาน คือสถานที่ที่ควรเคารพสักการะเทิดทูลของพุทธศาสนิกชนทางหลายการเข้าการอยู่การไปหรือแม้แต่การเห็นสถานที่เหล่านั้นทำให้ใจน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจา้านึกถึงเรื่องราวของพระธรรมก็ย้อนกลับก็ไปสู่ประวัติเข้าไปสู่ประพุทธคุณเช่นเดียวกันในการภายหลังต้องการให้มีเครื่องไม้เครื่องมือเสริมมากยิ่งขึ้น หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จ ด, ดับขันธพิณิพานไปแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือระลึกก็กลายเป็นทุกเจดีย์ทั้งหลายเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นมาจากพระบรมสาลรีาา ร, ราตน์คือกระดูกของพระพุทธเจ้ากระดูกก็มีจํากัดในที่สุดมันก็เอาเครื่องใช้ต่างๆของพรุทธเจ้าซึ่งก็มีอยู่อย่างจํากัดเช่นเดียวกัน ในการต่อมาก็าจะทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเจดจารึาา ก, ารกไว้แล้วก็ก่อเจดีย์่อสุตุบรรจุไว้แใจใจระลึกเริ่มที่พระธรรมแล้วก็จิต ก, ก็จะถูกนําไปสู่พระพุทธเจา้าเพราะประทังก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้จาจะเป็นในการต่อมามีการสร้างสั ญ, ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ สถานที่ป ร, รประสูตรสรรมแสดงรัตบมาเทศนาและนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นกลายเป็นพระพุทธปฏิมามีรูปแบบขนาดต่างๆแด่เผยแพร่กันอยู่ในปัจจุบันคนนี้ทั้งหมดที่จริงแล้วต้องการให้เป็นจุดที่จิตได้ตั้งสติระลึกเพื่อเป็นการเพิ่มภูนสถาปาาัตยาพิ่มปีติประ ม, มด เป็นศูนย์รวมของจิตเป็นเครื่องมือในการดึงจิตและเพื่อเห็นในที่ทั่วไปเลยแต่เพราะว่าบางครั้งบางคราวท่านก็เจตนาสร้างให้อยู่ในที่สูงและเห็นได้ในที่ไกลและบางทีกลางคืนไม่เห็นได้ก็เอาไฟไปจุดเอาไว้ซึ่ักษณะเหล่านี้ถ้าเราม ง, งไปถึงสมัยที่พระเจ้าสุโขทัยอยู่ อย่างในขณะที่พระเจ้าพิมมิสารถูกพระเจ้าเจ้าศัตรูจับไปขังไว้ในคุกเริ่มต้นจะให้กินอาหารบ้างแล้วจนถึงก็ไม่ให้กินอาหารเลยไม่สเสวยเลยพสิ่งที่เป็นจุดยึดยึดเหนี่ยวใจของพระเจ้าพิมมิสารในขณะนั้นก็คือปุเขาคิจกุลซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไปประทับอยู่ตรงนั้นมองจากคุกก็เห็นได้ชัด โด่ความมืดขึ้นมาไม่เห็นก็มีแสงสว่างขึ้นมาให้เห็นทำให้ทัามเจริญตรวพุทธคุณมีปีติปราโมกเขาเรียกว่ามีปีติเป็นทักษาคือมีปีติเป็นอาหารทาให้รู้สึกไม่คิวไม่อ่อนเพรียงนาพระเจ้าชายกูพยายามนึกแทะให้ตายเท่าไรผมก็ไม่ยอมตายไม่ยอมที่วงโคตรสักทีหนึ่งในที่สุดก็ต้อง รีดพื้นพระบาทราดด้วยเกรือเพื่อไม่ให้เดินจงกรมได้มันก็ทำได้แค่มองก็แสดงว่าเหตุย้เกิดตีประโมดถูกบัคทนลงไปจำนวนหนึ่งแล้วใที่สุดก็ที่วงคตไปแต่เป็นการที่วงคตอยู่วยจิตซึ่งลึกลึมั่นคงอยู่ในพระพุทธเจ้าหล่งจาวงคตไปแล้วก็มาเกิดเป็นเทพ ด้านแนวที่ท่านสอนมั่ก็คงแนวเดียวกันว้จุดระลึกจะเอาอะไรก็ตามเราขึ้นอยู่กับพื้นพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเหล่านั้นว่าสามารถทำได้ระดับใดจนเดยที่สุดแม้ทำจิตเรื่อมใสมีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับบุคคลเหล่านั้นแล้ว แต่แนวอนุสติก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนว่ามันจะมีแนวหลักอยู่สี่ระดับระดับแรกก็คือนำเอาพระพุทธคุณมาสวดสาธทยายตอนนี้จะหมายความว่าต่อจากระดับการไปในสถานที่ที่ให้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจา้าหรือการมองพระพุทธรูปเป็นตน้นประการที่สองนำเอาบทต่ง น, นั้นมา สังวัตยายหรือมาหลึกมาบริกรรมเป็นการใช้เครื่องมือหลายอย่างมาดึงจิตให้รวมอยู่ที่กบทของพระพุทธคุณท่าเรียกว่าบริกรรมภาวนาเช่นการภาวนาพระพุทธโมสังโฆหรือภาวนาหรืบทใดก็ตามจริงบทเปรนนี้ก็ไม่ได้สาคัญอะไร บางท่านท่านก็ภาวนาโหพุทโธโหธรรมโหสังโฆโุโธมามพุโธธรมโอมาธรมสังโคมาสังโภไปต้งก็ว่ากันมากมายแ ก, ะกะ่ก็กแต่สรุอปอันนี้คือเครื่องมือให้จิตมันเกาะและในสุดจิตจะสงกอยู่ด้วยบทของภาวนาก็เป็นสมาธิต่อไปก็เป็นเรื่องขั้นตอนของสมาธิยังแต่ว่าท่านเริ่มจากวิธีนี้ท่า น, นเองวิธีนนหนึ่ง ซึ่งมีความประณีตมากยิ่งขึ้นมีปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นปริมาณของสติเพิ่มขึ้นเพราะไรเพราะว่าจะต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้พระคุณของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติต่างๆย้อนประวัติอดีตไปต่างๆอย่างที่มีการศึกษากันเมื่อเรานำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาคิดปีิพจนพิจารณา มันจะเกิดเป็นปีติประโมทขึ้นฉะนั้นเราศสนะเหล่านี้ที่จริงก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่ท่านพูดถึงเรื่องทำบุญว่าอัปราปะะเจตนาเจตนาหลังจากได้ให้ไปแล้วทำบุญเหล่านั้นไปแล้วผ่านเวลาไปนานแล้วได้เห็นสิ่งที่เราสร้างเห็นสิ่งที่เราทำได้ทราบข่าวผลซึ่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรารู้ว่าใจย้อนระลึกถึง คามดีงามเหล่านั้นเราก็เกิดปีติปรมโมทขึ้นแนวตัวนี้จะเอามาชาใช้ในแนวอื่นพวกแนวที่เรียกว่าจาคานสติหรือว่าศีลานสตินั้นเป็นการระลึกถึงการประพฤติปฏิบัติของเราเองโอภัณฑานสติมันก็ระลึกแนวเดียวกันแต่เป็นการระลึกของจากโอภัณฑเจา้าเพราปีติปรมโมทมันก็เกิดขึ้น ย่าม้อยที่สุดจะได้รับความภาคภูมิใจจะได้รับความอบอิ่มใจขั้นนโบราณเนี่ยท่านใช้คําอยู่คําหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความเกรยียมใจบุคคลในโลกเป็นนั้นมากเกิดมายุคเดียวสมัยเดียวกับเราหรือเกิดก่อนหน้าเราหรือแม้จะเกิดในโอกาสต่อไปก็มีคนไม่ใช่มากนักที่สามารถประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชน มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการบําเพ็ญภาวานามีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเจนใจอยู่ด้วยปีติอยู่ด้วยการโมทีอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความดื่อดังในพระคุณของพระพธธุทธเจ้าแล้วเกิดปิติขึ้นตรงนี้ยิ่งคิดเห็นมากเท่าไหร่ก็จะเกิดปิติประโมทมากขึ้นเท่านั้นบางค้ามคราวอาอยู่ได้เป็นวันเป็นคือโดยไม่ ง่วงนอนไม่อ่อนเพลียก็แสดงว่ามีพิธิเป็นอาหารเช่นเดียวกันาการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้เป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่อย่างเมื่อเดือนที่แล้วตอนปลายเดือนนักเรียนในร้อยจตุพรอหลายรูปที่บวชแล้วทางวัดส่งไปอยู่ที่จังหวัดระยะ ตอนได้มาไปเยี่ยมนั้นเป็นวันที่สามที่สี่แล้วปรากฏว่ามีทั้งเจ็ดแปดรูปไม่เคยสันข้าวเลยวาพระสวดมนนั่งสมาธิอยู่ตามถ้ำตามเขาต่างๆเวลาพบกันหน้าตาเป็นอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสยังแข็งแรงไม่มีอาการ ร, ร่องรอยของความหิวโหยแต่ประการใดนั้ น, สนแสดงว่าใจที่สัมผัสปีติเป็นใจที่มีความอบอิ่ม แล้วก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายของบุคคลถ้าสติระลึกรู้แนบแน่นไปที่สิ่งพระพุทธคุณซึ่งนำมาระลึกแต่เนื่องเท่าไหร่ความสงบความปีติความประมทก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นใจก็สงบตั้งวันขึ้นเท่านั้นแต่ในชั้นที่เป็นเนื้อหาจริงๆ นั่นคือการทาตนเองให้ผสมกมกลืนกับพระพุทธคุณเห็นพระพุทธคุณอยู่ภายในจิตเห็นพระพุทธคุณอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่วิถีชีวิตอยู่ที่การรู้อารมณ์อยู่ที่การรับอารมณ์อยู่ที่การต้านทานกระแสของอารมณ์ ซึ่งหมายความว่าเป็นตัวความรู้ที่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงตามสมควรแก่กรณีดังนั้ น, น, นในกรณีของคําว่าอะไรก็ตามในพระพุทธกุณที่เราเริ่มด้วยคำว่าอารหังอรหังตัวเนื้อหาหลักก็คืออยู่ที่การทําลายกิเลสได้แน่นอนมันเป็นอาการสืบเนื่องมาจากการไม่มีกิเลสเท่านั้นเอง ที่ตังแปลว่า阿拉หังแปลว่าหักกำแพงสังสารัจฉร阿拉หังแปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสอ拉หังแปลว่าผู้ไม่ทําบาปแม้ในทิรัก阿拉หังแปลว่าผู้ควรไหว้ควรบูชาควรสักการะเคารพนับถือของบุคคลทังนล้นเราเห็นว่าเป็นอัตตคุณคือคุณส่วนตัวของท่าน และเป็นปริตะคุ ณ, ค, ณคือคุณที่เกื้อกูลกับคนอื่นเป็นบุญเยเขตที่เราเรียกว่าเป็นนาบุญของโลกคนไหว้ท่านก็เกิดบุญคนทําให้ทานแกับท่านก็เกิดบุญทําใจเรื่องใส่ท่านก็เกิดบุญตลอดถึงยกมาไหว้เฉยๆก็ เ, เกิดบุญเกิดกุศลการต้อนรับท่านการไปเยี่ยมเยือนท่านดูแลเแต่ให้บุญท่า น, น บนเกิดขึ้นทางตาเพราะการเห็นบนเกิดขึ้นทางหูเพราะได้ยินได้ฟังธรรมะบนเกิดขึ้นทางใจเพราะทําใจเบื่สายต่อท่านลักษณ ะ, ะของบุญก็คือการขจัดกิเลสควหมายความมาเราก็สัมผัสคุณของพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันพระหันทา่านขจัดกิเลสเราก็ขจัดกิเลสแต่ทา่านขจัดได้หมดเราก็ขจัดได้ตามกำลับบงความสามารถ ตอนกรรมหักกรรมแห่งสังสารวัจจ์ที่ท่านเรียงเป็นเรื่องตั้งสี่คำว่าอวิชาตันหาวปาทานกรรมในภาคปริญัตบางกดนับกันจำนวนมหาสารเขียนแล้วก็หลายหน้ากระดาษแต่ด้ภาคปฏิบัติที่จริงนั้นเหมือนกับจับจับงูที่หัวจับโจนที่หัวหน้าทำลายกองทัพที่จับแม่ทัพ มันสำคัญเ่าอยู่ที่หัวมันอยู่ตรงไห น, นจะย้ายตัวยังไงมากมายังไงไม่สำคัญว่าจับหัวให้ได้ทำลายที่หัวได้มันก็จบกรบวนรถไฟยาเหยียดกี่โบกี้ไม่สําคัญถอดหัวรถจักรออกก็จบทุกโบกี้จะหยุดหมดหรือจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เพราะอวิชชาตะาระหนักความผิกรรมที่จริงมันมาจากอาวิชชา ลักษณะของตัญหาที่แสดงออกเป็นสามประการใหญ่ๆก็คือเป็นอาการของวิชาเพราะไม่รู้จึงอยากได้เพราะไม่รู้จึงอยากเป็นเพราะไม่รู้จึงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็แสดงว่าความโรคามโกรธความหลงเป็นจนมันเกิดมาจากความไม่รู้ความรู้จึงมากขึ้นเท่าไหร่ อาการ น, นี้ก็จะลดหลกมากขึ้นเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้ า, จ, าจะรู้ก็คือรู้พอรู้ก็ขจัดความไม่รู้พราคว่ามไม่รู้ถูกขจัดไปกิเลสซึ่งสืบเนื่องมาจากความไม่รู้ก็ดับไปตนอนนี้แค่ๆแต่เราไม่เห็นอะไรจะเดินจะทําอะไรไม่ถูกเพราะเราอยู่ในที่มืดปัญหานทั้งหมดมันเกิดมาจากที่มืด พอจุดไฟขึ้นในจุดนันความมืดหายไปปัญหาทุกอย่างที่เคยเกิดในที่มืดมันก็หมดตามไปด้วยเพราะลักษณะของตัญหาจึงเป็นอาการของอวิชาถ้าวิชาเข้มข้นตัญหาก็าเข้มข้นอาการปัญหาบางครั้งรุ่มแรงที่เราเห็นเป็นกระบวนการบพราะมันมีทั้งโกรธทั้งโกรธทั้งหลงทั้งลิษยาทั้งเบียดเปียดเราทราบ การฆ่าการต้นฆ่าเผาบ้านหรือคมคืนเจ้าของบ้า น, นข่าวคราวที่ได้ยินด้วยความเราต้องวิพากษ์ถึงจิตที่เป็นเหตุให้ทำอย่างนั้นมันก็เริกมาจากเราวิชาการต้นเป็นอาการของความโลภการฆ่าเป็นอาการของความโลภความโกรธการคมคืนเป็นอาการของราคะการเผาไฟทําลายเป็นอาการของโทรธาของโมหะ ความวิริี่จริงมันเกิดขึ้นแก่คนผู้นั้นคือเพิ่มบาปตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็ไปถึงจุดที่เรียกว่าให้ตายตกไปตามกันตามสมนวนการพิพากษาทะาลรถ้าเรานี้เป็นภาพ ป, ปกติธรรมดาเกิดขึ้นทุกวันในส่วนต่างๆของโลกแต่แตาเรามองว่าตรงนั้นถ้าท่านรู้สัยอย่างเดียวรู้บาปบุญคุณโทษสยอย่างเดียว การฆ่ามันก็ไม่เกิดขึ้นการต้นก็ไม่เกิดขึ้นการพกไฟการทำลายการข่มขืนะอะไรต่างๆมันดับไปหมดผลราะ่เหตุใหญมันก็อยู่ที่ตัวอวิชชาในการไปพุทธปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องการจะลดพวกโรนี้ต้องการทำลายพวกโรดีหมายความว่าอาจจะไม่ถึงก็ทำลายทั้งสารจักรอะไร แต่ว่าเป็นการหมุนวนที่พบชาติมันประณีตขึ้นแทนที่จะตกนกนรกหมกไหมก็เกิดมาเป็นคนคนที่ประณีตขึ้นมีฐานะทางเศรษฐกิจ ด, ดีสังคมดีรูปร่างดีสุขภาพบานานซ์ไม่ดีสติปัญญาดีแล้วก็ประนีตขึ้นไปกว่านั้นคือความรู้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นพบชาติ เฉพาะคุมจิตมันก็จะมีความประนีตขึ้นซึ่งหมายความว่าตำหาแม้จะมีก็สามารถควบคุมบังคับปัญชาได้บรนเทาความอยากที่เกิดขึ้นคุมทิฏฐันความอยากในการสแสวงหาในการถือครองในการไปพวกคล้สอยในการสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งต่านั้นอยู่ในทิศทางที่เป็นการเพืบุญเพกุศลขึ้น ลักษณะการเหล่านี้ก็คือสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าแล้วแสดงว่าเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสเพิ่มขึ้นในใจจะไม่สะอาดอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ากายกับวัจจามันก็คุมได้ด้วยกรอบของศีลเป็นชีวิตระดับศีลธรรมจัญญาจึงวันนี้เรามองธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรื่อแล้วแต่เป็นการนำจิตคนเขาสัมผัสพระพุทธคุณซึ่งเราจะเห็นความจางไปคลายไปของกิเลสและการเพิ่มพูนขึ้นของธรรมะแม้แต่ชีวิตครอบครัวชีวิตของสามีปัญญาที่ทรงสแสดงไว้ในชิตุต ถ้มองไปที่ตัวเนื้อหาความเปลี่ยนแปลงทางจิตแล้วออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทําก็คืออาการของปัญญาอาการของความบริสุทธิ์อาการของความรักความเมตตาความกรุณาเป็นท่งสแสดงหน้าที่ของสามีว่ายกระดับนักถือปัญญาสแสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตาความกรุณา ความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีในปัญญาแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจความรักความเมตตาเมื่อความเป็นใหญ่ให้แสดงเห็นถึงความรักความเมตตาแสดงถึงปัญญาของขวัญในของขวัญให้รางวาัลก็แสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตนานั้นก็เป็นภาพสะท้อนเป็นการสะท้อนทำเป็นการครองเรือนครองสุขโดยมีธรรมะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจ การไม่ น, นอกใ จ, จแสดงเห็นถึงความบริสุทธิ์บรยสุทจากอะไรจากความโลภจากราคาที่แรงจนทิ้งก็คุมไว้ไม่อยุ่แม้นา้าที่ของปัญญาก็มีลักษณะอย่างนั้นเพื่สอนว่าจากการงานดีสแสดงให้เห็นถึงปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ในงาน การทำงานนั้นถ้าเกลียดครา้งมัก็ทำไม่ได้ก็แสดงว่าบริสุทธิ์จากกิเลสประเภทที่ทำให้เกลียดครั้หรือประเภทที่ทำให้ไม่สลาดสง์ข้อคนข้างเคียงของสามีดีแสดงให้เห็นถึงปัญญาความรักความเมตตาแล้วก็ต้องบริสุทธิ์ระดับที่ขจัดความจ้าหนีความเห็นแก่ตัวได้ถ้ายังมีความจน้นีความเห็นแก่ตัวอยู่มันก็สมครอบไม่ได้ แล้วอยากเขาจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นหมายความว่าถ้ามีสิ่งนี้ก็ต้องไม่มีสิ่งนี้ถ้ามีถ้าไม่มีสิ่งนี้แสดงว่ามีมีสิ่งนี้มันจะต้องมีอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งต้องไม่มีที่ตรงกันข้ามแถ้ากับมีมือ ก, ก็ไม่มีสว่างดังที่กล่าวเส ม, มอเด่นเองนประการต่อไปก็ไม่นอกใจสามีก็คือบริสุทธิ์แสดงเห็นถึงความบริสุทธิ์ แสดงเงื่อนงุนปัญญาตกลมว่าที่จริงแล้วมีหมดเพียงแต่ว่าตอนไหนเป็นต้องการจะเน้นเรื่องอะไรเป็นอาการเขาอะไรที่เด่นชัดท่านก็พูดเรื่องนั้นแล้วก็เหมือนกราพูดเรื่องหนึน่งดินเช่นเราสมมติเพูดเรื่องธัดดินว่าผมคนนึงฟันหนังเป็นธาตุดินถามว่ามีเฉพาะดินจริงหรือเปล่าก็เปล่า มันมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟทั้งอากาศแต่ว่าอาการของดินมันปรากฏเด็ดคือมันแข็งแข็งมันจับได้มันยกหยิบฉวยได้ลักษณะของน้ำก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเพราะธาตน้ำมันมีลมมันมีไฟมมีอากาศอยู่พวกน้ำเหล่านั้นก็ไปเคี้วเคียวไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นดินก็แสดงเห็นว่ามันเป็นการปนอยู่ทั้งหมด เพียงแต่ว่าอะไรเด่นมากกว่าเราก็พูดถึงสิ่งนั้นเพราะอาการทั้งหมดก็คือสะท้อนความปัญญาความมีสุขความรักความเมตตาความกรุณาแต่ยินสะท้อนทั้งหมดในแต่ละขอ้อเพียงแต่อาการใดเด่นเราก็พูดถึงอาการตรงนั้นเท่านั้นเองรักษาทรัพย์สมบัติที่หาได้มาให้ดีก็หมายความมาอาศัยปัญญาอาศัยความมีสุข อาศัยความรักความปรารถนานดีต่อสามีขยันไม่เกียดแค้นในการงานทัง้งปวงหมายความว่าเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์เป็นาการที่ชัดเจนแต่นั้นก็คือสแสดงไม่เห็นถึงว่ามีความรักความผูกพันกับคนที่เกีย่ยวข้องกับตนด้วยถ้าเรามีความเกลียดชังเราก็ไม่ทํางานมั น, นสแสดงให้เห็นว่าวิธีชีวิตแบบพทุทธ้งหมด จะต้องปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าระดับใดไ ป, ปอีกเรื่องเ่งแต่ถ้าไม่เห็นคุณเลยปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเป็นนั้นม า, ากเช้นสมมติเราเกลีดมันเข้มพ้นรุนแรงได้หโลภ ก, ก็แรงโกรธก็แรงหลงก็แรงาาวิทยาฆ่าก็แรงมันก็อยู่กับคนเข้าไม่ได้ ในในสุดอาจจะถูกทำลายอาจจะถูกกาจัดหรืออาจจะถูกกักขังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆก็จะติดตามมาเป็นนานมากพอถามกลับไปมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอาการของอวิชชาที่แรงและคนอนั้นก็คุมไว้ไม่ได้มันก็สมควรแก่เหตุเพราะเหตุมันเป็นอย่างนั้นผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น ตอนการระลึกถึงพระพุทธคุณไม่ว่าจะจับที่บทใจก็ตามที่จริงเหมือนกันเมื่อเรามาภาวนาก็เหมือนกันคือได้สงบเหมือนกันเมื่อเราเรามาพิจารณาเอามาระลึกในสุดป็นจะเชื่อมโยงถึงนั่นเองและไม่ใชเชื่อมโงยงไปเฉพาะที่องค์พระพุทธเจ้ามนเชื่อมโยงไปสู่พระธรรมเชื่อมโยงไปสู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย แล้วก็ย้อนกลับมามองมาดูที่เรามาเห็นพุท ธ, ธะที่ใจมาเห็นปัญญาที่ใจเห็นความบริสุทธิ์ใจเห็นความเมตตากรุณาเกิดขึ้นที่ใจมีปริมาณมากหรือปริมาณ น, อน้อยถ้ามีปริมาณมากพออารมณ์ต่างๆที่ผ่านมากระทบภายในใจ ปัญญาจะเกิดขึ้นตัดสินวิธีใจเราสามารถหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ทั้งหมดซึ่งหมายความมีปัญญาที่คุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้บริหารตัวเองได้เพราะแนของปัญญาในความหมายของพุทธศาสนานั้นคือหมายความว่าทุกเรื่องนั้นมีประโยชน์ในตัวของมันเอง ลูกศราสามารถสอนให้บุคคลหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เป็นกลางจากสิ่งที่มีโทษจากสิ่งที่เป็นคุณแล้วก็ขยายผลประโยชน์จากสิ่งทั้งสามเหล่านั้นขึ้นไปเป็นครูในการเรียนรู้ความดีของเราบางทีเราเรียนจากสุภาวะธร ร, รมจะเรียนจากความแก่ความเจ็บความตายเรียนจากคนแก่คนเจ็บคนตายเรียนจากซากศพ เ, เรียนจากใบไม้เรียนจากต้นไม้เรียนจากตานยอดต้นเรียนเรียนจากใบไม้เหลืองไปจนเคยเรียนได้ขนั้น บางทีเราก็เรียนจากพวกอกุศลมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นแก่คนในอดีตมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นแก่คนนั้นๆแล้วโทษบางอย่างก็ือเเคยสัมผัสเกิดสำนึกกลับจางดเว้นไม่ปล่อยกายปล่อยจิตให้ตกอยู่ภายใต้อำนาของอกุศลตกไปอยน้อยก็ลดความรุนแรงลงไป ทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาเพราะถ้ามีมากเท่าไหร่มันจะหาประโยชน์ได้มากเท่านั้นในวิชาการในสมัยพุทธกาลที่มีการศึกษากาันอย่างการาเรียนของหมอชีวโกมารพัฒน์าสามารถมองคุณค่าของสรรพสิ่งที่ท่านเห็นว่าสามารถเป็นใช้เป็นยารักษาโรคได้ทั้งนั้นปาวนาว่าจะเอามาสวนไหนมาแล้วผสมกับอะไร จะใช้บำบัดโรคอะไรเท่านั้นเองต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป